บทที่ห้าสิบห้าแม่ชีเจียนแม่ชีเจียนพานางสาวส้มปล่อยมาขอขึ้นกรรมฐานที่กุฏิท่านพระครูตอนห้าโมงเย็นเมื่ออยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวหน้าตาที่ซีเซียวเพราะถูกโรคร้ายรุงรา้าดูดีขึ้น ขอกรรมาฐานเสร็จจะเอาวาดวัดป่ามาม่วงจึงพูดขึ้นว่าเอาละประเดี๋ยวกลับไปทําที่สำนักชีให้เขาสอนเดินจงกลมแล้วก็นั่งสมาธิแม่ชีต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษห น, หน่อยนะเขาป่วยหนักแล้วก็มีทุกขเวทนามากบางครั้งอาจจะหงุดหงิดฉุนเฉียวแม่ชีก็ต้องเข้าใจอย่าไปโกรธเคืองเขา เพราะคนที่กำลังป่วยมักจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจจ้าหลวงพ่อฉันจะดูแลให้ดีที่สุดและจะคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับลูกหลานของฉันคนหนึ่งแม่ชีเจียนรับคำแข็งขันดีแล้วนึกว่าสร้างบารมีให้ตัวเองโดยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ส้มปอยเอ็งกราบแม่ชีเขาสิสิ ฝากเนื้อฝากตัวไว้เพราะก็จะช่วยดูแลเองแล้วก็พยายามสงบสติอารมณ์เสียบ้างเวลาปวดมากๆให้อดทนอย่าไปเที่ยวอารวาดระรานคนอื่นเข้าละ่ะท่านกำชับไว้ก่อนหญิงสาวก้มลงกราบแม่ชีหนึ่งครั้งดีแล้วเอาละ่ะเดี๋ยวจะให้ยาไปกินนี่ มีน้ำยาแก่มะเร็งเอาชงดื่มต่างน้ําถ้าเองหิวก็ให้ดื่มน้ํายานี่แทนชงเหมือนชงชานั่นแหละรสชาติมันขมและเฟือนแต่เองก็ต้องฟื้นใจดื่มให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยานี้จะเข้าไปขับเลือดขับน้องและก็คล้องเน่าของเสียออกมาขับน้องด้หรือเปล่าจ้าหลวงพ่อ ลอนถามด้วยสิพอมันถูกยาเข้าไปมันก็จะอยู่ไม่ได้มันก็จะตายใช่ไหมจ๊ะและหลวงพ่อไม่บาปหรือจ๊ะบาปสิถ้ามันตายข้าก็บาปแน่ๆ แ, แต่มันไม่ตายหรอกเมื่ออยู่ไม่ได้มันก็จะพากันหาทางออกไม่เองไม่ต้องห่วงถ้าเองอยากหายเร็วๆก็ต้องขยันกินยาแล้วก็จะหาย การรักษามาหลายรายแล้วด้วยยานเนี่ยและที่ตายมีไหมจ๊ะหญิงสาวถามอีกมีทำไมจะไม่มีท่านตอบตามตรงว่างั้นฉันก็อาจจะตายก็ได้หล่อนรู้สึกใจหดหูขึ้นมาอีกใช่ถ้าเองไม่ยอมกินยาเองก็ตายแน่แน่เพราะคนอื่นที่เขาตายนั้น ไม่ใช่เพราะยาไม่ดีแต่เพราะเขาไม่ยอมกินยาไม่สามารถฝืนใจตัวเองเพราะเคยชินกับรสที่น่าปรารถนาหน้าพอใจพอมาเจอรสยานีนเขาก็เลยทนไม่ได้รสชาติมันร้ายกาจมากเลยล่ะหนูขนาดลุงเคยกินยาขมมาหลายขนานก็ยังไม่ได้กลึ่งของยานี้หนูลองจิมดูก็ได้ อาจารย์ชิดพูดพร้อมกับส่งถ้วยบรรจุน้ำสีน้ำตาลแกมเหลืองคล้ายกับสีของน้ำชาให้หล่อนขับใจจะ่ะหญิงสาวรับถ้วยพลางกล่าวขอบใจท่านพระครูจึงโถูโอกาสสอนว่าพูดกับคนที่แก่กว่าต้องขอบคุณส่วนขอบใจนั้นเขาใช้กับเพื่อนหรือคนที่อายุน้อยกว่าจำไว้ที่หลังจะได้พูดให้ถูกต้อง จ้ะงั้นฉันพูดใหม่ให้ถูกต้องก็ได้หลอนหันไปทางอาจารย์ชิดพูดใหม่ว่าขอบคุณจ้ะแล้วจึงยกถ้วยยาขึ้นดื่มเพียงลิ้นสัมผัสหลอนก็รีบวางและก็วิ่งออกไปบ้วนทิ้งที่หน้ากุฏิระนั้นก็ยังรู้สึกว่ารถขมติดปากติดลิ้นท่านพระครูจึงว่านั่นง่ายเดี๋ยวก็ได้ตายอีกคนหรอก โอยหลวงพ่อทําไมมันขมร้ายกาดอย่างนี้ไม่กินยาไม่ได้เหรอจ๊ะปฏิบัติกรรมฐานอย่างเดียวได้ไหมหล่อนขอต่อรองก่อในเมื่อยาเองกินไม่ได้แล้วเองจะไปปฏิบัติได้ยังไงเพราะการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อแก่กรรมนั้นมันทุกทรมานยิ่งกว่ากินยาขมหลายเท่านักไม่ใช่ปฏิบัติจิ ม, จ, มจิมจำจำแล้วจะแก่กรรมได้ ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเชละท่านจะของกุฏิชี้แจงนี่ก็แปลว่าฉันต้องทนปวดหน้าอกทนกินยาหรือต้องทนปฏิบัติกรรมฐานอีกทำไมมันหนักหนาสาหัสอย่างนี้ละจ้าหลวงพ่อสตรีวัยยี่สิบเศษนึกทอ้อเองจะได้เข็ดลาบยังไงละ่ะทีหลังจะได้ไม่ก่อกรรมทําเวรอีกเอาเถอะกลับไปได้แล้ว แม่ชีช่วยเป็นหูเป็นตาแทนด้วยนะท่านฝากฝังกับแม่ชีเจียนอีกครั้งจ่าหลวงพ่ออย่าได้เป็นห่วงเลยฉันจะดูแลอย่างดีที่สุดหากมีอะไรเหลือบ่า ก, กว่าแรงก็จะมากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบชะลาละจ่าแม่ชีกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งและชวนนางสาวส้มปล่อยกลับสมนักชีหญิงสาวกราบท่านพระครู และลูกตามแม่ชีออกไปก็พอดีกับเจ้าของกุฏิถามขึ้นว่าส้มป่อยบ้านเองอยู่ติดกับบ้านตาวลไม่ใช่หรือแกเป็นยังไงบ้างท่านถามถึงเพื่อนบ้านของนางสาวส้มป่อยเห็นว่าป่วยมานานแล้วจ้าไอชั้นก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะกําลังตัวเองก็จะเอาไม่รอดลูกสาวแกคนเป็นเพื่อนกับชั้นบอกว่า เอาไปอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนก็ไม่หายแล้วแกก็รบเร้าให้ลูกพากลับบ้านอ๋ออย่างนั้นหรือแกป่วยเป็นอะไรละ่ะก็โรคคนแก่นั่นแหละจ้าหลวงพ่อสงสัยอีกไม่นานก็คงกลับบ้านเก่าดิฉันไม่ได้แช้งนะหล่อนรีบออกตัวเอาละเอาละไปได้แล้วประเดี๋ยวข้าจะต้องไปเยี่ยมแกสักหน่อยเรือข้ามฝากยังมีใช่ไหม นี่จ่าทุ่มหนึง่งถึงจะหมดนิมนต์หลวงพ่อรีไปเถิดจ่าถ้ายางงั้นโยมปฏิบัติไปก่อนนะอาตมาจะไปเยี่ยมไข่ข้อหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาเล่าอะไรให้ฟังท่านบอกอาจารย์ชิดครับนิมนต์หลวงพ่อเถอดครับอาจารย์ชิดว่ารู้สึกดีใจที่ได้ฟังท่านเล่าอะไร สมชายขุนทองหายกันไปไหนหมดละ่ะถามหาลูกศิษย์และหลานชายในขุนทองกำลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ในห้องได้ยินเสียงท่านเรียกจึงออกมาลลงลงมีอะไรจะใช้หนูเหรอฮะสมชายไปไหนเสียล่ะโน่ น, นละ่ะฮะบ้านเหนือโ น, น่นเขาชี้มือประกอบถ้าอย่างนั้นเองก็ไปเตรียมของเยี่ยมคนป่วยมาชุดหนึ่ง จัดใส่ถาดมาให้เรียบร้อยแล้วก็หาซองเปล่ามาซองหนึ่งท่านสั่งในขุนทองจึงหายเข้าไปในห้องอีกครั้งประเดี๋ยวเดียวหนึ่งก็ถือถาดพลาสติกออกมาในถาดมีโอนตินขนาดกลางหนึ่งกระป๋องนมข้นรามีสามกระป๋องนมสดอีกหนึ่งโลซองเปล่าสีขาววางอยู่บนกระป๋องโอวันติน ท่านพระครูหยิบธนบัตรใบละร้อยจากย่ามส่งให้เขาสองใบเอาเอาใส่ซองนั่นแล้วถือถาดเข้ามาโยมเฝ้าทีกุติไปก่อนนะถ้ามีใครมาก็ช่วยบอกว่าอาตมาไปเยี่ยมไข่ฝั่งโน้นอีกสองชั่วโมงจะกลับท่านสั่งอาจารย์ชิดแล้วจึงเดินนำไปยังท่าน้ำโดยมีในขุนทองเดินตาม ท่านพระครูออกไปไม่ถึงสิบนาทีบุรุษวัยสี่สิบเศษก็เข้ามาถามหาท่านอาจารย์ชิดบอกเข้าตามที่เจ้าของกุฏิสั่งและแอบสังเกตว่าดวงตาของบุรุษนั้นแดงช้ำเหมือนคนที่ผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักจึงได้พูดขึ้นว่าดูท่าทางคุณคงมีทุกข์ระหว่างที่รอหลวงพ่อ หากมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ก็อย่าเกรงใจนะครับเขาเสนอตัวเมื่อมีคนมาแสดงความเห็นอกเห็นใจบุุษนั้นจึงร้องไห้เหมือนเด็กๆพลางรำพึงรำพันขอบคุณครับผมไม่มีใครช่วยผมได้ผมมันคนเลวผมมันไอ้ฆาตกรตกนรกหมกไหม แล้วเขาก็ตีอกชกหัวตัวเองต่อหน้าบุรุษสูงวัยอย่าทำร้ายตัวเองอย่างนั้นเลยครับผมเชื่อ ว, ว่าหลวงพ่อท่านคงช่วยคุณได้ท่านมีเมตตาจิตสูงช่วยให้คนพ้นทุกข์มามากต่อมากผมว่าคุณใจเย็นๆไว้ก่อนดีกว่าผู้มาใหม่หยุดทำร้ายตัวเองเพราะรู้สึกเจ็บนึกโกรธตัวเองอยู่ครามครัน ทุกใจก็สุดจะทนทานแล้วยังต้องมามีอันทุกกายเพิ่มเข้ามาอีกเมื่อปรุษนั้นหยุดร้องไห้อาจารย์ชิดจึงถามขึ้นว่าขอประทานโทษคุณมาจากไหนเหรอครับจากเพชรบุญครับผมขับรถมาบ้านอยู่ที่นั่นเหรอครับเขาถามอีกการได้พูดได้คุยทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน จนสามารถลืมความเจ็บปวดไปได้บ้างเปล่าครับขอโทษเะครับกรุณาอย่าถามผมว่าทำอะไรที่นั่นเพราะประเดี๋ยวผมเป็นอันต้องร้องไห้อีกบุรุษนั้นขอร้องผู้อาวุโสจึงจำต้องนิ่งขณะเดียวกันก็คิดว่าบุรุษผู้นี้คงจะได้รับความสะเทือนใจอะไรสักอย่างมาจากจังหวัดนั้นเงียบกันไปพักหนึ่ง ผู้มาใหม่จึงถามขึ้นว่าคุณได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าครับคล้ายๆกลิ่นเน่าของสุนัขหรือว่ามีหนูตายอยู่แถวนี้ผมได้กลิ่นตั้งแต่ตอนเข้ามาโน่นแล้วเขาทำจมูกฟุดฟิตพลางก้มลงมองที่ใต้อสนะเพื่อค้นหาอย่าไปหาเลยครับแถวนี้ไม่มีหนูตายผมรับรองได้อาจารย์ชิดว่า คุณไม่ได้กลิ่นบ้างหรือเม้นออกอย่างนั้นผู้มาใหม่ถามอีกได้สิครับแต่ผมชินกับมันเสแล้วนี่ไงครับที่มาของกลิ่นเขาชีแ้แผลตรงคอบริเวณใต้กกหูข้างขวาบุรุษนั้นจึงรีบกล่าวคำขอโทษผมต้องขอประธานโทษนะครับที่พูดในสิ่งที่อาจทำให้คุณสะเทือนใจเป็นอะไรเหรือครับ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก่อนหน้านี้ผมรู้สึกหมดอะไรในชีวิตแต่พอมาพบหลวงพ่อผมกลับมีความหวังขึ้นท่านบอกว่าผมมีโอกาสจะหายถึงแปสิบเปอร์เซ็นครับผมขอแสดงความยินดีแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอโทษที่พูดไปเมื่อตะกี้กรุณายกโทษให้ผมด้วยอย่ากเก็บมาเป็นอารมณ์เลยครับ ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีและแผลของผมมันก็เหม็อนอย่างที่คุณว่ามาจริงๆเยี๋ว่าแต่คนอื่นเลยแม้ลูกเมียเขาก็ยังรังเกียจผมถึงเขาไม่แสดงออกมานอกหน้านอกตาแต่ผมก็รู้ว่าตอนมาที่นี่ใหม่ๆลูกศิษย์วัดเขาก็แสดงกิริยารังเกียจแต่หลังจากที่หลวงพ่อท่านพูดอบรมพวกเขาก็ปฏิบัติต่อผมดีขึ้น ผมเป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อท่านมากเลยครับผมรู้ว่าท่านก็ต้องเหม็นกลิ่นเน่าจากแผลของผมแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจทั้งที่ผมก็เป็นคนแปลกหน้าสำหรับท่านในโลกนี้จะหาใครที่มีจิตเปี่ยมด้วยเมตตาเช่นท่านไม่มีอีกแล้วล่ะครับไม่มีจริงๆคุณไม่เคยรู้จักกับท่านมาก่อนล่ะครับไม่เคยครับ ผมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนก็เสียงมาอย่างนั้นเองไม่นึกว่าจะได้รับความเมตตามากมายถึงปานนี้นี่ผมตั้งใจไว้ว่าเมื่อหายก็จะบวชตลอดชีวิตผู้อาวุโสพูดอย่างมุ่งมั่นครับผมขออนุโมทนาแล้วขอให้หายโดยเร็วผู้มาใหม่แสดงมุติตาจิตคุยกันมาตั้งนาน ผมยังไม่ทราบเลยว่าคุณชื่ออะไรส่วนผมชื่อชิดเคยเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่แต่ได้ลาออกมาห้าปีแล้วหลังจากที่รู้ว่าเป็นมะเร็งตอบน้ำเหลืองอาจารย์ชิดแนะนำตัวเองผมชื่อจริมครับเป็นวิศวกรผู้มาใหม่พูดสั้นๆเขารู้สึกว่ากลิ่นเน่านั้น รุนแรงจนแทบไม่อยากจะหายใจเข้าจึงพยายามที่จะหายใจออกเพียงอย่างเดียวหากก็ทำอยู่ได้ไม่นานเพราะมันผิดธรรมชาติในที่สุดจึงออกอุบายว่าผมยังไม่ได้ทานมื้อกลางวันเลยชักหิวซะแล้วเห็นจะต้องไปหาอะไรลองท้องสักหน่อยขออนุญาตนะครับพูดจบก็ลุกเดินออกไปทางโรงครัวค่อยหายใจโล่งอก เมื่อห่างรัศมีของกุฏิออกมาเขาเดินเรื่อยๆไปจนถึงโรงครัวหากไม่ได้แวะเข้าไปความสุขที่กำลังได้รับมันหนักหน่วงเสียจนไม่รู้สึกหิวบุุษวัยสี่สิบเศษเดินไปจนถึงสาราท่านน้ำแล้วก็เลยถือโอกาสนั่งคอยท่านพระครูอยู่ณที่นั้นช่วงเวลาแห่งการรอคอย ในจรินรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตกอยู่ในห้วงอเวจี G. มันร้อนรุ่มกลุ้มกลัดอึดอัดขัดข้องจนสุดจะพารนานัดแต่จำความได้กระทั่งอายุย่างเข้าปีที่สิบสามก็ยังไม่เคยมีความทุกข์ครั้งใดหนักหนาสาหัสเท่าครั้งนี้เมือ่อได้อยู่คนเดียวภาพเหตุการณ์สยดสยองที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาสิบเอนาฬกา ได้กลับมาสู่ห้วงความคิดอีกครั้งเขาเห็นร่างของพระอาจารย์สุวินที่นอนจมกองเลือดเพราะฝีมือของเขาตามกลางความตกตะลึงงงงันของบรรดาภิกษุและแม่ชีในวัดมันเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็วราวกับลมพัดผ่านแล้วเขาก็กลายเป็นฆาตกรไปโดยไม่ได้เจตนา ทนไม่ไหวแล้วเขาตะโกนและ ย, ยกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้าเพราะไม่ต้องการจะเห็นภาพนั้นเพะว่ายิ่งปิดก็ยิ่งดูเหมือนว่ามันชัดเจนมากขึ้นจนเขาไม่อาจทนนั่งอยู่ณที่นั้นได้ลุกขึ้นเดินกลับไปยังกุฏิคิดว่าทนเหม็นกลิ่นเน่าก็ยังดีกว่าต้องมาทนอยู่กับความทุกข์ทรมานเช่นนี้ บุรุษวัยสี่สิบเศษเดินกลับมาที่กุฏิอีกครั้งคิดว่าจะมาพูดคุยกับบุรุษสูงไวเพื่อคลายความกลัดกลุ้มครั้นมาถึงก็เห็นฝ่ายนั้นกำลังเดินจงกรมอยู่อย่างขมักขมิ่นจึงคิดที่จะทำเช่นนั้นบ้างนายเจรินเคยมาเข้ากรรมฐานที่วัดแห่งนี้เมื่อหลายปีมาแล้วหลังจากนั้นก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านพระครู และได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากท่านหลายอย่างหลายประการสามปีเต็มที่เขาขับรถไปไปมามาระหว่างสิงบุรีกับกรุงเทพโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรือแม้แต่เบื่อ น, น่ายแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีกรรมบันดาลให้เขาต้องเหินห่างจากท่านเพียงได้รู้จักกับพระอาจารย์สุวินเขาก็เริ่มแปลพักจากท่านพระครูเจริญ ไปหลงติดในอิทธิปฏิหารของพระอาจารย์สุวินดังนั้นแทนที่จะขับรถมาสิงห์บุรีเขาก็ไปเพชรบูรณ์แทนแล้วก็ไปได้ทุกอาทิตย์จนไม่เป็นอันทาการทำงานเพราะใจจดจอ่อรอให้ถึงวันศุกร์ภรรยาเขาเคยสะกดรอยตามด้วยคิดว่าเขาคงไปมีผู้หญิงซุกซ่อนไว้ที่นั่นคลั้นเห็นว่าไปหาพระจริงหล่อนก็เลิกตาม กระนั้นก็ยังค่อนแคะกระนะกันแแนว่าหลงพระยิ่งกว่าหลงผู้หญิงปีที่แล้วนี่เองที่ไม่ได้ไปหาท่านเพราะทางราชการส่งเขาไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเพิ่งบินมาถึงเมื่อวานตอนเย็นพอตีห้าของวันรุ่งขึ้นเขาก็ขับรถบึงไปเพชรบูรณ์ด้วยความระลึกถึงพระภิกษุรูปนั้น ไม่ได้คาดฝันว่าจะมากลายเป็นฆาตกรไปนในที่สุดคิดมาถึงตอนนี้เขาก็อยากตะโกนออกมาดังๆเพื่อระบายความกลัดกลุ้มหากก็ต้องยับยั้งสติอารมณ์เอาไว้เพราะเกรงใจคนที่กำลังเดินจงกรมอยู่ข้างๆบุรุษวัยสี่สิบเศษเริ่มต้นเดินจงกรมบ้างตั้งใจว่าจะเดินไปจนกว่าท่านพระครูจะกลับอาจารย์ชิดนึกอนุโมทนา เมื่อเห็นผู้มาใหม่เดินจมกลมเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้จิตของเขาสงบลงได้บ้างบุรุษสูงวัยจึงเริ่มมองเห็นความจริงของชีวิตว่าล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ซึ่งแม้จะมาในรูปแบบต่างๆกันหากก็สรุปลงได้ทุกข์เหมือนกันหมดเหตุนี้กระมังพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์ท่านพระครูกลับมาถึงกุฏิ เมื่อเวลาทุ่มครึ่งทันทีที่เห็นท่านเดินเข้ามานายจริงก็โผลเข้าไปกราบที่เท้าท่านแล้วซบหน้าร้องไห้อยู่ตรงนั้นเจ้าของวัดป่ามะม่วงไม่ได้พูดว่ากะไรหากยืนก้มหน้านิ่งดูเขาร้องไห้อาจารย์ชิดกำลังนั่งสมาธิก็เลยมีอันไม่ได้นั่งเพราะอยากรู้เรื่องราวและสาเหตุแห่งทุกข์ของบุรุษนั้น หลวงพ่อครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยนายจรินคลั่งกรวนได้ข่าวว่าไปดูงานที่เมืองนอกไม่ใช่หรือกลับมาเมื่อไรล่ะเจ้าของกุฏิถามด้วยน้ําเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาเมื่อเย็นวานนี้เองครับบุรุษวยัยสี่สิบเศษเงยหน้าขึ้นตอบครั้นเห็นว่าเป็นการไม่สมควรที่จะให้ท่านยืนพูดกับเขาอย่างนั้น จึงถอยออกมาและนิมนต์ท่านให้เข้าไปนั่งที่อาสนะในขุนทองจัดการชงชากาแฟมาบริการแขกโดยไม่ต้องรอให้ท่านสั่งโยมผู้หญิงไม่ได้มาด้วยหรอกหรือท่านถามถึงภรรยาในจรินไม่ได้มาครับผมมาคนเดียวมาจากเพชรบูรณ์และเขาก็ร้องไห้สออกสอื่นเออท่านพระครูรับรู้แล้ว ไม่ได้ถามอะไรอีกนายจรินใช้หลังมือปาดน้ำตาและพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายผมฆ่าพระตายครับพูดจบก็ร้องไห้ต่อท่านพระครูจึงปลอบเขาว่าทำใจดีๆเข้าไว้ไม่ต้องกลัวมาวัดนี้แล้วต้องกล้าหารอัตมาจอบคนกล้าหาร เราต้องกล้าเผชิญกับทุกสิ่งไม่ว่าดีหรือร้ายเอาละตั้งสติให้ดีหายใจลึกๆแล้วก็เล่าไปว่าเกิดอะไรขึ้นนายจรินคิดว่าท่านคงจะตกใจและตำหนิเขาแต่เมื่อไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ใจชื้นขึ้นจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังอาจารย์ชิดในขุนทองก็นั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ เรื่องมันเกิดขึ้นวันนี้เองครับคือผมขับรถไปเพชรบูรณ์ตอนตีห้าเพื่อจะไปกราบเยี่ยมพระอาจารย์สวินไปถึงส1บอ็ดโมงเศษก็ตรงไปที่กุฏิท่านแม่จีปราณีบอกผมว่าท่านเข้าสมาบัติอยู่ในถ้ำน้ำบางบนภูเขาสามเดือนแล้วห้ามใครไปรบกวนกำหนดท่านจะออกจากสมาบัติ วันที่หนึ่งมีนาซึ่งครบสามเดือนพอดีผมก็ถามแม่ชีว่าทำไมท่านต้องเข้านานขนาดนั้นก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อสะดอเดาะเคราะห์และต่ออายุหากไม่ทำเช่นนั้นท่านจะต้องมอรณะภาพภายในเดือนมกราคม2517ผมก็ไม่เชื่อที่แม่ชีเล่าเพราะเคยได้ยินมาว่าพระสามารถเข้าสมบัติได้อย่างมากต้องไม่เกินเจ็ดวัน ใช่ไหมครับเขาถามท่านเจ้าของกุฏิมันคนละอย่างกันสมบัติมีสองประเภทคือผลสมบัติและนิโรธสมบัติอย่างแรกเข้าเป็นเดือนก็ได้แต่อย่างหลังคือนิโรธสมบัติหรือชื่อเต็มว่าสัญญาเวทยิทนิโรธสมบัติเพราะเป็นสมบัติที่ดับสัญญาและเวทนาอันนี้เข้าได้อย่างมากไม่เกินเจวัน ท่านพระครูถือโอกาสอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างว่าหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ที่จังหวัดลำปางท่านคุ้นเคยกับอาตมาดีองค์นี้ท่านเข้าผลสมบัติครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนานเป็นเดือนลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมก็เลยต้องผิดหวังไปตามๆกันหลวงลุงน่าจะทำอย่างนั้นบ้างนะฮะจะได้ไม่ต้องรับแขกหนูจะได้ไม่ต้องเหนื่อย นายขุนทองพูดขึ้นข้าก็อยากจะทำเหมือนกันแหละแต่ทำไม่ได้เพราะยังไม่หมดหน้าที่ต้องใช้กรรมญาติโยมเขาให้หมดเส้ก่อนท่านบอกหลานชายอ๋อหรอฮะแล้วก็จนหมดหรือยังฮะอีกห้าปีเอาละเอ็งเลิกถามได้แล้วข้าจะฟังโยมเขาเล่าต่อ นายเจรินจึงเล่าต่อไปว่าระหว่างที่แม่ชีเขาสาะวนอยู่กับการจัดอาหารถวายเพนพระผมจึงแอบขึ้นไปบนเขาและเข้าไปในถ้ำก็เห็นพระอาจารย์สวินท่านนอนหลับอยู่ในม้งก็จึงเข้าไปดูใกล้ๆก็พบกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนไว้ที่ข้างม้งเป็นลายมือของท่านเองเขียนสั่งไว้ว่าเจริญพรญาติโยมทั้งหลาย อาตม า, าพาไปเที่ยวป่าหิ ม, มาพานสัก3ามเดือนระหว่างนี้ห้ามไม่ให้ใครมารบ ก, กวนอาตมาไม่ได้มรณภาพจึงไม่ต้องรดน้ำศพไม่ต้องสวดพระอภิธรรมและก็ไม่ต้องนำร่างไปใส่โลงแล้วอาตมาจะกลับมาในวันที่หนึ่งมีนาคม2517และที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ใครแตะต้องตัวอาตมาเป็นอันขาด ท่านเขียนไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ลงวันที่ไว้ด้วยเป็นวันที่หนึ่งธันวาคม2516นห้าอพอเห็นข้อความนั้นผมก็เลยคิดว่าแม่ชีปราณีพูดความจริงแล้วก็เหมือนจะมีอะไรมาดนใจผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิสี่กุมภา พ, พันธ์เหลือเวลาอีกห้าวันเท่านั้นหากผมจะปลุกท่านคงไม่เป็นไรเพราะไหนๆก็ผ่านพ้น เดือนมกราคมมาแล้วคิดดังนั้นผมก็เอื้อมมือเข้าไปในมุ้งเพื่อจับแขนท่านขณะนั้นแม่จีปราณีตามาถึงพอดีแกก็ส่งเสียงห้ามว่าคุณจะรินยาแต่ช้าไปเสีแล้วเพราะผมย่งมือไม่ทันครั้นมือผมสัมผัสกับแขนท่านก็เกิดเสียงดังเพะเหมือนเข้าตอกแตกแล้วเลือดก็ไหลท่วมร่าง และไหลนองมาเต็มพื้นถ้ำไม่ทราบว่าทำไมถึงมากมายขนาดนั้นเหม็นค่าวครุ้งเลยครับผมก็ตกตะลึงแม่ชีปราณีก็ตะลึงคนอื่นๆก็ตามมาดูกันทั้งพระทั้งชีพอหายตกตะลึงผมก็ร้องห้ใหญ่แม่ชีปราณีรำพึงรำพันซ้ำๆซัซซกๆว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยพี่บอกแล้วก็ไม่เชื่อ ที่เผลอเดียวเยวเกิดเรื่องจนได้ระหว่างที่พวกเขานำศพใส่ลงและล้างพื้นถ้ำอยู่นั้นผมก็บอกว่าผมจะไปมอตัวกับตำรวจท่านเจ้าอาวาสบอกไม่ต้องเพราะผมไม่ได้เป็นฆาตกรท่านไม่ต้องการให้เรื่องนี้ไปถึงหูตำรวจท่านยังบอกอีกว่าเป็นกรรมของพระอาจารย์สวินเองท่านจะต้องมอรณะภาพอยู่แล้ว ถูกต้องเจะเอาวาดท่านพูดของท่านถูกแล้วท่านพระครูพูดขึ้นนายจริงไม่เข้าใจจึงถามท่านว่าหลวงพ่อหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าโยมไม่ได้เป็นผู้ร้ายฆ่าคนอย่างที่โยมคิดนะซิสมมตินะสมมุติว่าโยมเอามือมาถูกตัวอาตมาแล้วก็เรียกว่า โยมเป็นผู้ร้ายค่าคนหรือเปล่าล่ะไม่เรียกครับบุรุษวัยสี่สิบเศษตอบรู้สึกโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกนั่นแหละแบบเดียวกันนั่นแหละทีนี้ทะาเลิกโศกเศร้าเสียใจได้แล้วเห็นหรือยังว่ากฎแห่งกรรมนั้นเที่ยงตรงนักอาตมาก็รู้จักท่านสุวินท่านก็เคยมาปรึกษาเรื่องนี้ อาตมาชวนมาเข้ากรรมฐานท่านก็ไม่เชื่อท่านจอบไปทางฌานสมาบัติในที่สุดก็ต้องเป็นไปตามกรรมโยมอย่าลืมนะว่าวิธีแก้กรรมนั้นต้องใช้วิธีวิปัสสนาเท่านั้นอย่างอื่นแก้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าฌานสมาบัติไม่มีประโยชน์หรอครับอาจารย์ชิดถามมีสิทำไมจะไม่มี แต่ประโยชน์ที่แท้จริงนั้นจะต้องนำมาเป็นบาดฐานของวิปัสสนาถ้าท่านนำไปใช้ในทางเกิดอิทธิฤทธิปฏิหารก็ถือว่าไม่ใช้ประโยชน์ที่แท้เพราะแก้ทุกข์ไม่ได้ท่านสุวินท่านมีอิทธิปฏิหารหลายอย่างเท่าที่อาตมารู้แต่เห็นหรือยังว่าท่านก็ไม่อาจหนีกรรมไปได้อุสาหนีไปถึงป่าหิมพาน ก็ยังไม่พ้นกรรมแต่ถ้าท่านเชื่อหลวงพอ่อแล้วมาเข้ากาารรมฐานที่นี่ก็จะไม่มรณะภาพนลครับนายจรินถามแน่นอนข้อนี้อาตมารับรองเพราะการที่ท่านได้ฌานก็เหมือนกับมีทุนเดิมอยู่8ปเอร์เซนแล้วมาทำเพิ่มอีก 20% สบเปอร์เซน์ก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมล่ะใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นผมจะกลับไปลา ง, งานสักเจ็ดวันแล้วมาเข้ากรรมฐานนะครับหลวงพ่อครับผมขอปฏิญญาณว่าต่อแต่นี้ไปผมจะเลิกสนใจเรื่องอิทธิปฏิหารจะสนใจแต่วิปัสนากรรมฐานเพียงอย่างเดียวผมเข็ดแล้วครับบุรุษวัยสี่สิบเศษให้คำมั่นสัญญาดีแล้วอาตมาขออนุโมทนา เอาละสบายใจแล้วไปเที่ยวโรงครัวไปทานอาหารใชก่อนแล้วค่อยกรับบ้านยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันไม่ใช่หรือครับขอบพระคุณครับแหมพอหลวงพ่อพูดผมรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยเขากราบท่านสามครั้งแล้วหันไปลาอาจารย์ชิดขอบคุณนักครับอาจารย์ผมเลยถือโอกาสลาเลย พูดจบก็ลุกขึ้นเดินมุ่งหน้าไปยังโรงครัวด้วยรู้สึกหิวจนแสบท้อง